เป็นยังไงสุดนทาบสืดนราบอยู่นะฮะฮเป็นยังไงชีตังเมฉีตังเมเสร็จเราแล้วเสร็จเราแล้วเนะ เป็นไงคมไหมทนเจ็บทนปวดเกือบเพนเกือบตายเป็นไงน ะ, ะคมข่าไหมฮะ หลายคนหลายคนอยู่ได้แต่คนเดียวอยู่ไม่ได้ดอกคนเดียวอยู่ไม่ได้ เราจะเห็นความสำคัญของความละอายความมีฮิริความมีโอตั ป, ปะนี่คือความมีฮิริความมีโอตั ป, ปะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ เราอดได้เราก็อดได้ดไดเขาทนได้เราก็ทนได้โมมากช่วยพยุงช่วยพยุงกันได้เรามันได้อดเปล่าทนเปล่า เราฝ่าเราฝืนเราอดเราทนเนี่เราได้วิริยะได้ขันติได้ขันตินตความอดความทนขันติโกเมตตาลาภียะสัตซีสุขสีลาว ผู้มีขันติผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักมีเมตตามีลาภเมตตาวาลาภีมียศยะสัตซีสุกัสสีลาวามียศมีความสุข ความอดความทนเป็นตบะเป็นเดชะขันติบารมีขันติบา ร, รมีความอดความทนเป็นขันติบา ร, รมีทนเมื่อยทนปวดเราทนเมื่อยเราทนปวดรวมไปถึงทนอด ทนเจ็บใจทนเครียดไม่ไม่กิ้วไม่โกรธทนทนหนักทนเบาทนเจ็บทนปวดทนเจ็บกายทนปวดกายทนทุกทุกทน ทนทุกข์ทนทรมานบางครั้งมันเจ็บมันปวดต่อเนื่องมันทรมานอดทนอดกลัน้นอดกลั้นอย่างยิ่งยวดอดทนต่อเจ็บใจนี่ก่อนดทนอดทนได้อดทนได้ดไดสบายตามหลัง สบายตามมาถ้าอดทนไม่ได้มีปากมีเสียงกันแล้ทะเลาะ ก, กันแล้วด่าทอกันนล้นี่คืออดไม่ได้ทนไม่ได้อดที่ใจทนที่ใจข่มที่ใจอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บปวด ทนหนาวทนแดดทนร้อนทนหิวที่เรียกว่าขันติสรจจะจันนนะทนท่านว่าท่านว่าเป็นธรรมที่ทำให้งาอขันติความอด ท, ทนสระ จ, จะความสเสี่ยงสมมุติมันเจ็บมันปวดจากการป่วยไข้อะไรตัอไรเนี่ย ทนสมบสมเสงี่ยมไม่แสดงความดิ้นรนทุรนทุรายอดไม่ได้ทนไม่ได้ดิ้นรนทุรนทุรายถ้าดินได้รู้สึกว่าหายปวดถ้าดินได้รู้สึกว่าหายปวดดิ้นรนทุรนทุราย อดทนรออดทนคอยรอการรอเวลาอดทนอดทนปฏิบัติอดหลับอดนอนอดเมื่อยอดหิว โอ้คุณสมบัติของความอดทนเนี่ยมันเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานให้กับทุกอย่างถ้าขาดความอดทนสักอย่างเป็นคนใจสอบเป็นคนใจปรบเป็นคนสมอยสมอยทำไงนะ่ะสมอย เป็นคนสําอ อ, อ้ผู้มีความอดทนน่ารักน่าเคารพน่านับถือ อดทนด้วยสงบเสงี่ยมด้วยงามก็ เ, เรียกว่าเป็นธรรมที่ทําให้งามสงบเสงี่ยมขันติสรจจะจักระติความอดทนโสรจจะจักระสงบเสงี่ยมขันติทีรัสะลังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับ ของปราดของบัณฑิตขันติตโพตปัจชิโนขันติเป็นตะปัเป็นตะน บ, บะดขันติหิตะสุข้าวห้าขันตินำมาซึ่งความสุขขันติอย่างเดียวเนี่ยขันติเป็นบารมี ฉันโหนตวัววายวาย n a ในหมาสมอไม่ใช่ไม่ใช่อดเฉยๆนะต้องเพียนด้วย <c oughs> เพียนพยายามไหว้ขอยคอยตายด้วยความพยายามมองทะเลอยู่กลางทะเลมองไม่เห็นฝั่ง ไหวอยู่นั่นแหละท่านดิ้นรนไหวไปไหนนะถึงข้ถึงคาพระเจ้าจะตายก็ขอให้ข้าพระเจ้าตายด้วยความพยายามเทียนเพียร พ, พยายามในนั้นมีคันติอยู่ด้วยมีความอดความทนความอดทนมีอยู่ทุกอย่างรวมอยู่ทุกเรื่อง อย่างพวกเราเนี่ยถ้าขาดอดทนอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยง่วงนอนโอ้ยเสียสุขภาพปวดหัวเขาปวดมันเอวปวดไหลง่วงนอนทรมานหวนสรพัดบนอยู่ข้างในด้วยเหตุที่เราสงบเสงี่ยมเราคิดตามแล้วเราภาคภูมิใจ โอ้เราอดได้โอ้เราทนได้ในครอบครัวหัวเมียต่างฝ่ายต่างมีความอดต่างมีความทนกันความทะเลาะเบาว้งได้ ทำให้สงบทำให้เยือกเย็ยนได้ทำให้เป็นที่หน้าเคารพหน้าเกรงขามได้เที่วดาทั้งหลายสรรเสริญอ๋อ ส, ดสดมบัติุดมอนเทนี้ ไหนพวกนี้ไป น, นอนกันหมดแล้วหรอฮะไหนไปนไหนกันหมดเนี่ยฮะพวกเกียบไปไหนฮะไม่เห็นทำไมไม่นั่งตรงนี้แอบไป น, นอนที่ไหนล่ะเนี่ย ในบทบทเทวตาเนี่ยลุงปู่ลุงปู่เขียนท่านพาสวดประจําเลยนะเนี่ยตอนตอนสมัยอยู่ตลอดคืนท่านจะพาสวดนี้เทพยดาทั้งหลายเหล่าได้มีปกติอยู่ในวิหารสถิตยอยู่ที่เรือนพระสถูปที่เรือนพระโพในที่นั้นๆเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน จงกรททำความสวัสดีในวิหารมนท น, นี้พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระที่เป็นปานกลางที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นทานบดีพร้อมด้วยอารามิกะชนก็ดีชนทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านที่เป็นชาวเมืองที่เป็นชาวนิคม ที่เป็นอิสระก็ดีสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขแม้สัตว์เหล่าใดเป็นผู้ที่เป็นชลาพุชะกําเนิดที่เป็นอันไทยชะกําเนิดที่เป็นสังเสริฐไทยชะกําเนิดที่เป็นอุป ป, ปาติกะกําเนิดสัตว์เหล่านั้นได้อาศัยพระธรรมเป็นนิยานิกธรรมแล้ว แม้ทั้งหมดจงทำความสิ้นไปแห่งทุกข์ขอรมของสัตว์ปรุษทั้งหลายจงดำรงอยู่นานและบุคคลทั้งหลายที่ทรงธรรมจงดำรงอยู่นานขอพระสงค์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน เทียวเพื่อประโยชน์และเพื่อกูลของพระสัทธธรรมจงรักษาเราทั้งหลายผู้ประพฤติ ธ, ธรรมแม้ทั้งปวงขอเราทั้งหลายจงถึงความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าแสดงแล้วเธอจบเอวัง ให้พรโยมมันไปนูด้ดเร า, า, า, า, า, า, าไม่ต้องขอข้ามาดอกให้พรนะจบตับ้งใจให้พรรับพร วันนี้คงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจด้วยกันได้รับความเจ็บปวดด้วยกันได้รับความชุ่มเย็นหัวใจด้วยกันได้รับความสงบด้วยกันได้รับสติได้รับปัญญาด้วยกันได้รับความอดความทนด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายถึงความสุขความเจริญโดยทั่วกัน ยะทาวาริวาฮาปูราปริปูเรนติสักรังเอวะเมวิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปทิตังตุมหังขิปเมวัสสเมสุตุสะเพปูเรนตุสังกปางจันโทพนะระโสยะทามณิโชอัติระโสยะทา ภาังอายุวทโกธนาวะทโกศิริวะทโกยาสาวะทกโกภาาวทโกวนณวะทโกสุขาวทโกโหตุสาปทาโทคารุคาปยา โสกาสาตุ์จุปาตวะอเนกาอันตรายาปิวินัสันโตจเดเตมชัยยเสิทธิชนังลาภังโสดีภากยังสุขังพลังชริอายุจวันน้อย ขังวุฒิกยสวาสตวัสจัจายุจิตวิสทิภวันตุเตม สัพพังฆาลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสตีปวันตุเตมพวตุสัพพังฆลังราคันตุสัพเทวตาสัพธามมานุภาเว โสติภวันตุเตภวตุชพภังคาลังราขันตุชาภวตาชาภังคาโนภะเวนสัทโธติมภวันตุเตโอชิตังเมชิตังเม ชนะแลว้วชนะแลว <laughs> ้วดิฮะจิตตังเมผูกกองเป็นไงผูกกองจิตตังเมฮะอืมเอาไปครับเดินไปกุฏเนะ อ, อย่าไปเดินชนปลาชนลงเด้อ อ้าวเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บ